วิธีประทวงรักคนที่พลาดหวังในเรื่องความรักแล้วหันมาทำความพินาศให้แก่ตัวเองเิ่นค่าตัวเองเสียบ้างตามไปฆ่าคนที่ตัวรักเขาแล้วเขาไม่รักตัวเสียบ้างมีอยู่ไม่น้อยพอบางคนพลาดลงไปก็เลยหมดอะไรตายอยากในชีวิตเอาเลยทีเดียวเคยทำความดีต่างๆก็เลิกทำไม่เคยดื่มเหล้าก็ริดื่มไม่เคยปากร้ายก็ทาตัวเป็นคนปากตลาดเคยขยันขันแข็งก็กลายเป็นคนเกียดคร้าน รวมความว่าเสียคนลงไปเรื่องทำนองนี้มักจะมีข่าวลงในหนังสือพิมพ์อยู่เสมอนักเขียนข่าวบันยัิศั์ว่าประท้วงรักเช่นว่ามีการประท้วงรักด้วยเลือดบ้างประท้วงรักด้วยดุนฟืนบ้างด้วยมีดด้วยปืนและด้วยของอื่นอีกหลายอย่างซึ่งดูเป็นทีว่าผู้ทำอย่างนั้นเป็นคนเก่งกล้าน่านับถือการประท้วงก็คือทวงนั่นเองประท้วงกับทวง เป็นคำพวกเดียวกันหมายความว่ามีอะไรที่เราชอบเรารักจะสูญเสียไปแล้วทวงเอาคืนเช่นอย่างใครกู้เงินเราไปแล้วตามทวงเอาเงินคืนหรือเราเช่าบ้านเขาอยู่แล้วไม่ส่งค่าเช่าให้เขาเขาจึงตามมาทวงอย่างนี้เรียกว่าทวงแต่ถ้าเรา ท, ทาําท่าจะงุบงิบโกงเงินของเขาแล้วเขาทวงโดยอ้างสิทธิ์หรือเหตุผลต่างๆหากล้าง ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งกว่าทวงธรรมดาเรียกว่าทวงถ้าไปทวงที่เขาไม่ได้ผลจึงกลับมาเล่นงานตัวเองหรือใครคนใดคนหนึ่งเรียกว่าประทวงที่จริงคำว่าทวงทวงและประท้วงก็เป็นพี่พี่น้องๆ้องกันนั่นเองการประท้วงรักก็หมายความว่าทวงเอาความรักกลับคืนคือทีแรกเขามารักเรา อยู่มาอยู่มาเกิดจะหนีไปรักคนอื่นแล้วเราทวงคืนแต่ทีน่นี้วิธีทวงรักนั้นบางคนทวงผิดวิธีเขาใช้วิธีบวกเรากลับใช้วิธีลบผลมันก็เลยไม่ตรงความต้องการคือพอรักทำท่าจะหนีเราเกิดทาตัวเองให้เลวลงต่ำลงเสียลงหรือกินยาตายเสียหรือตามไปฆ่าคนรักเสียเข้าใจว่าเป็นการประท้วงรัก หรือทวงรักความจริงผิดวิธีเหตุใดจึงรู้ว่าผิดที่รู้กระราะทำอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่รักจะกลับคืนถ้าถูกวิธีเราก็ต้องได้รักกลับคืนสินี่ไม่ได้ยิ่งทำรักก็ยิ่งเหินห่างจึงเป็นอันตัดสินได้ว่าเราทำผิดวิธีผิดจริงๆเราฆ่าตัวเราเองตายไปแล้วคนรักเขาจะกลับมารักอีกหรือกระเปล่า ใครที่บังอาจไปอยู่กินเป็นผัวเป็นเมียกับผีข้าพเจ้ายังไม่เคยพบเห็นหรือแม้เพียงเราทำตัวให้เหลวลงไปที่เขาจะกลับมารักเราอีกก็อย่าไปหวังเลยการทำลายตัวเองเพื่อเป็นการประท้วงรักนั้นไม่ถูกวิธีแน่คิดดูหลายประตูแล้วทำเช่นนั้นไม่ใช่ประท้วงแต่เป็นการตะเพิดเวลาพูดหรือเขียนข่าวทานองนี้น่าจะใช้คาว่าตะเพิดรัก ด้วยขวานแต่เพิดรักด้วยน้ำกรดว่าอย่างนี้จึงจะตรงถ้าจะประท้วงรักกันแล้วต้องประท้วงด้วยการทําตัวให้ดีขึ้นจึงจะถูกพอคู่รักทาท่าจะเมินเราก็รีบไปปรึกษาหมอซื้อยาอายุวัฒนะมากินให้ร่างกายอ้วนพีมีน้ํามีนวลเคยพูดจาไม่เข้าหูคนก็แก้เสียใหม่สัรหาแต่น้ําคําที่เย็นที่หวานมาใช้ เคยทำหน้าเง้าหน้างอก็เปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มทำกิริยาวาจาให้น่ารักอย่างนี้จึงจะเรียกว่าประท้วงรักเพราะเป็นวิธีที่จะทำให้รักกลับคืนหนังสือพิมพ์ก็ควรจะลงข่าวว่าประท้วงรักด้วยวิตามินหรือประท้วงรักด้วยการยิ้มอย่างสดชื่นคราพระเจ้าคิดว่าต้องอย่างนี้จึงจะได้ผลและถูกต้อง ไม่ใช่ไปคว้าเอาการตะเพิดรักมาเป็นการประท้วงรักอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าอยากจะพูดกับท่านผู้อ่านที่ยังหนุ่มยังสาวสักเล็กน้อยเกี่ยวกับทางเดินของใจที่เรียกว่าทางชีวิตใครแก่แล้วจะไม่อ่านก็ได้คือทางชีวิตมีอยู่สองทางได้แก่ทางโลกีกับทางโลกุตระทางโลกีเป็นทางรอบโลกหรือวนเวียนอยู่ในโลกเดินเท่าไรเท่าไรก็ไม่ผุโลก เหมือนคนโดยสารรถเมยสายรอบเมืองนั่งไปทั้งกลางวันกลางคืนก็คงวนอยู่ในเมืองนั่นเองส่วนทางโล ก, กุตระเป็นทางออกไปพ้นโลกเปรียบเหมือนว่าทางถนนพหนโยทินรถที่เดินทางนี้ตรองออกไปพ้นจากกรุงเทพทีเดียวทางโล ก, กุตระจะไม่พูดพูดแต่ทางโลกีกันก่อนเวลานี้เราทุกคนกำลังเดินทางโลกีจาเป็นต้องรู้เรื่องทางโลกีไว้บ้าง จะได้เดินถูกและเตรียมตัวถูกทางโลกีมีสามสายขนานกันไปใครจะสมัครเดินสายไหนก็ได้และเวลานี้ท่านเองก็อาจกำลังเดินอยู่ในสายใดายสายหนึ่งเหมือนกันคือ 1. ึ่งสายรัก 2. สายชัง 3. สายหลงคนที่กำลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องรักๆใครๆเรียกว่ากำลังเดินอยู่สายรัก คนที่กำลังโกรธเคืองคิดอาฆาตพยาบาทจะแก้แค้นคนโน้นคนนี้เรียกว่ากำลังเดินอยู่สายชังคนที่กำลังติดพันมั่วสมอยู่กับการพนันบัตรเบอร์หรือเป็นทาตของสุรายาเมาต่างๆเรียกว่ากำลังเดินทางสายหลงท่านผู้ใดเดินทางสายใดควรจะได้ทราบลักษณะทางข้างหน้าดังนี้ทางสายรักมีลักษณะเหมือนทางลื่นลม มีตมมีมคโคลนเฉาแฉะคนเดินทางรักก็เหมือนกับคนเดินทางลื่นอาจหกลม้มและอาจตกลมจนคโคลนเอาง่าย่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกตัวว่ารักคุณเขาแล้วก็ต้องเตือนตนไว้ล่วงหน้าว่านี่เรากำลังเดินทางลื่นลมอีกก้าวหนึ่งข้างหนึ่งเราอาจจะต้องหกล้มเข้าแล้วก็ได้ทางสายชังมีลักษณะเหมือนทางมีขวากหนาม คนเดินทางนี้ต้องถูกน้ำขวนน้ำตำชอกช้าบ้างหละอาจถึงกับมีอรอยฟอกช้าหรือบาดแผลตามเนื้อตามตัวทางสายหลงมีลักษณะเหมือนทางมืดคนเดินทางสายนี้ก็เหมือนคนเดินอยู่ในความมืดอาจต้องหลงทางคิดว่าจะเดินทางไปเมืองเศรษฐีไพล่ไปโปรเอาเมืองยาจกคิดว่าไปหายศักดิ์อัครฐานเป็นใหญ่เป็นโตอาไปโปเอาบางขวางเมืองนน ก็เป็นได้ทั้งนั้นเพราะมันมืดนอกจากหลงทางแล้วยังมีหวังตกหลุมตกบ่อไปตลอดทางก็ได้ทางโลกีมันเป็นอยาน่างนี้ไม่ว่าเราจะอยากเจอหรือไม่อยากเจอถ้าไปเดินทางทางนั้นเข้ามันก็ต้องเจอไม่เจอมากก็เจอน้อยเจอจนได้ท่านที่ยังหนุ่มยังสาวจะเดินทางชีวิตไปอีกนานควรจะท่องสูตรชีวิตนี้ไว้สาหรับใช้เดินทางโลกี สูตรย่อว่ารักลื่นช่างช้ำหลงเหลวคนเดินทางลื่นนั้นถ้าล้มแล้วเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็ตั้งท่าเดินต่อไปใหม่ล้มอีกก็ลุกอีกล้มร้อยครั้งก็ต้องลุกร้อยหนไม่มีใครเขายอมนอนจมอยู่ในโคลนเมื่อเราสมัครเดินทางรักก็เหมือนกันมันมีพลาดรักได้เมื่อพลาดแล้วก็ตั้งตั้งท่าใหม่อย่าไปค่ดตัวตายเสีย อย่าไปริททำตัวให้เลวลงตามที่ว่ามาแล้วใครทำอย่างนั้นก็เปรียบเหมือนคนที่หกล้มแล้วแทนที่จะลุกขึ้นกลับนอนกลิ้งเกลือกอยู่ในโคลนเพื่อประท้วงทางเดินโง่หรือฉลาดคิดดูเองก็รู้ทุกคนถ้าคนหกล้มแล้วไม่ยอมลุกกลับนอนกลิ้งเพื่อประท้วงทางเดินเป็นคนโง่คนที่พลาดรักแล้วทำลายชีวิตและศักดิ์ศรีของตนเพื่อประท้วงรักก็คงเป็นคนฉลาดไม่ได้เหมือนกัน